แรงเปลี่ยนความในใจถูกน้ำให้ตั้งมือด้วยให้เธอช่วย วันนี้ยังมีฉันแต่ข้างฉันวันนี้ไม่มีเธอวาดน้ำไผ่เก็บใบไผ่รอเธอเกอิดไม่มีเธอใจคอไม่ดีวาดน้ำไผ่ ต้องี เก็บใบไั่รอเธอเกิดไม่มีเธอใจขอไม่ดีหวาดน้ำไั่ตายก็ไั่ถูกน้ำไผ่แทงมืออีกทีนี่หากวันนี้เหมือนวันนั้นสิฉันจะต้องมี